ทุกกลึงเดือนปลายเดือนคือเดือนหนึ่งจะมีการลงอุโบสถสองครั้งกลางเดือนปลายเดือนกลางเดือนปลายเดือนแรงสิบห้าข่ํมขึ้นส5บห้าขั้มหรือส4บสี่ขัมเป็นวันพระสงฆ์พร้อมกันทบทวนเรื่องของสินสินสองยีข้อ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 ฟังพระปฏิโมกบทบทบวนเรื่องของศิลและวินยัยอันนี้ก็คือเป็นกฎระเบียบถ้าองค์ไหนไม่ลงอุโบสถปรัปรบิาปเป็นโทษเป็นโทษแปลว่าเป็นผู้ขาดย่อหย่อนในกฎระเบียบย่อหย่อในศิลและวินยัยพนันพระสงฆ์ทุกวัดก็จะมีการสวด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 คนมีกิเลสโลบโกรธหลงเนี่ยมันไม่ชอบกฎระเบียบมันอยากจะทาาจํตาตามอํานาจตามอาเภอใจตามอัธยาใจของตนเองอยากจะทําแต่พอทําเข้าไปแล้วมันเดือดร้อนทําให้หมู่ด้อยู่ด้วยกันมีความทุกข์เดือดร้อนฟุ่นเฟืไปหมดเพราะว่าพวกเราขาดกฎระเบียดพิไนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตั้งกฎระเบียบพิไนให้พวกเรามีศินสําหรับคารวะ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 ถ้าหาว่าเราไม่ได้ทําอย่างนั้น แ, แปลว่าเราทานอาหารของเขาเปล่าเป็นโทษเพราะพระพ อ, องค์บอกว่าถ้าภิกษถูดก็ตามเห็นอเนจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดความเสื่อมอเพียงแต่เห็นอเนจังคือความเกิดและความเสื่อมของร่างกายเพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียว อ, อันนั้นก็คือคุ้มค่า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 ทุกษาทุกเรื่องราวต่างๆมีมากมายแต่สิ่งไหนควรที่พวกเราควรจะรู้สําหรับฆราวาสญาติโยมผู้มีภาระมากมีหน้าที่การงานมากถ้าหากว่าไม่ได้ยินกูบาายานพระสงฆ์โพูดอะไรให้ฟังพวกเรากคงจะไม่ได้ยินได้ฟังแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณาการกรองไตรตองเหตุและผลจากนั้นก็นศึกษาต่ออีก